กันอยู่ในขณะนี้นี้นะครับรูปกับนม้มกำลังกระทำงานร่วมกันอยู่สำเร็จออกมาเป็นการสาเร็จออกเป็นความรู้สึกตัวในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวเช่นกิริยาของการหายใจเข้าหายใจออกและมีความรู้สึกสดๆด้วย พระพิจาลื่นน้ำลายก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเดินอยู่กะเดินหน้าถอยหลังหรือคู้เข้าเหยียดออกในขณะนั้นกายกับจิตทำงานร่วมกันอยู่ศูนย์กลางของการงานนั้นก็คือความรู้สึกตัวได้ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของคาว่าชีวิตชีวิตหมายถึงความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวเพื่อที่จะให้เข้าใจกระจ่างผมจะใช้วิธีการอุปมา ค, คือสร้างเรื่องซึ่งไม่จริงแต่ว่าเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเมื่อเรา เจริญภาวนานั้นเราจับที่จุดไหนกันแน่สิ่งนี้อย่าทำเล่นนะครับคำสอนมากมายกายกองด้านทฤษฎีนั้นอาจจะเป็นเพียงกองขยะมูลฝอย่านั้นนะครับคือนำมาปฏิบัติจริงๆไม่ได้เลยคำภีสักร้อยคำภีหมื่นคำภีนะครับสู้คำแนะนำต ร, ตรงจุดเดียวนี้ไม่ได้ แท่จริงความรู้ด้านปริยัตนั้นนะครับมีก็ดีแต่ว่าถ้ามีมากมันเฟอ้อเฟ้อแล้วมไม่อยากปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติสิ่งที่รู้ในในความจำนั้นก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาเมาจะอุปมาอย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะถ้าง่วงก็รูปตัวสติที่สมบูรณ์นะนะครับที่จะจะก่อเกิดปัญญาได้ สมมติว่ามีคนคนหนึ่งตายลงนะครับเขาจะเป็นใครกันสุดแท้และสมมติว่ามีคนอีกคนหนึ่งมีเวทมนต์ที่จะชุบชีวิตได้เมื่อผู้ที่รู้เวทมนต์นนั้นชุบชีวิตเมื่อชีวิตปรากฏขึ้นนะครับ ซากศพที่ไร้ชีวิตที่จริงเมื่อผมพูดคำว่าศกไม่ได้หมายศกที่เน่าเละแล้วนะครับที่จริงคนที่ตายแล้วยังมีชีวิตยอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตายเช่นเซลล์ต่างๆยังเป็นอยู่ไฟธาตุังมีอยู่ความควบคุมกันอยู่ของของกลุ่มเซลล์ต่างนั้นยังเป็นแต่ว่าเขาตายแล้วแต่ทิ้นานเนียวก็เน่า เม น, นมาล้ั้นที่จริงความตาย ม, มีหลายชั้นมากครับทิ้งไว้เหมือนเราตัดลำไม้ไผ่นีครับเราตัดออกจากกอเ น, นี่ยเราทิ้งไว้มันทีมันงอกต่อยทั้งเดือนกว่าจะแห้งเป็นสีเหลืองครับสมมุติว่าคนคนหนึ่งชุบคนชุบชีวิตคนหนึ่งมาเนี่ เมื่อชีวิตปรากฏขึ้นในอีกขนหนึ่งนั้ น, นะครับเราซึ่งเป็นผู้เฝ้าดูจะเห็นอะไรก่อนเราก็จะเห็นว่าท้องเขาเริ่มกระเพื่อมไปแหละมีการเคลื่อนไหวที่เปลือกตาแล้วก็เริ่มขยับตัวคือมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับแล้วเขาพอลืมตาขึ้นก็จะถามาผมอยู่ที่ไหนเนี่ย เขเริ่มถามถึงสถานะของตัวเองชื่อสิ่งสมมุติสถานที่และการเวลาแต่ก่อนหน้านี้การเวลาชื่อสถานที่ความดีความชั่วความถูกความผิดไม่มีกับกับศพเลยใช่ไหมครับจริงไหมเขาจะรู้สึกมันไม่ได้เรามีดไปเถื่อนะอกเขาเขาก็ไม่โกรธไม่เจ็บจเจ้าเงินเอทองเอาอะไรไปให้กองให้เป็นรางวัลเขาก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะว่าเป็นศพเป็นวัตถุเป็นท่อนเหมือนกับท่อนไม้แห้งๆ แ, แต่นานๆเมื่อมีใครชุบชีวิตเปงเขาขึ้นสิ่งแรกที่ทุกคนจะสังเกตเห็นคือการเคลื่อนไหวระดับใดระดับหนึ่งซึ่งส่อสัญญาณว่าชีวิตเริ่มใหม่แล้วแต่ปับันนี้สมมุติว่า ศพนั้นคือตัวเราครับแล้วตัวเรานั่นเองเป็นผู้เฝ้าดูอยู่ด้วยดังนั้นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นคืออะไรครับชีวิตเริ่มก็คือความรู้สึกตัวได้จริงไหมครับคือความรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าความรู้สึกตัวนั่นเองดังนั้นพอชีวิตตื่นขึ้นในศพนั้น สภาพรู้ตัวได้ก็ปรากฏขึ้นสภาพรู้ได้เข้าใจไหมครับก็ปรากฏขึ้นแต่ลำดับถัดมานั้นคำถามหรือความคิดก็เกิดขึ้นว่าเออผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเห็นไ้ยครับตอนนั้นก็ลุกขึ้นเดินสะบัดเนื้อสะบัดตัวเดินกลับบ้านไปหาลูกหาเมีย ที น, นี้ลองลำดับดูนะครับว่าชีวิตมันฟื้นขึ้นมากี่ชั้นลําดับแรกชีวิตของของคนตายผมยังใช้คําว่าชีวิตเพราะเซนยังไม่ตายเข้าใจไหมครับตานี่ยังเอาไปให้โรงพยาบาลบริจาคให้ผู้อื่นได้ชีวิตอย่างผู้ที่ตายใหม่ๆต่อมาชีวิต ของชีวิตเท่าที่รู้สึกตัวได้เท่านั้นเท่าที่รู้ได้แล้วแต่มาชีวิตแห่งโลกสมมุติชีวิตที่รับทราบต่อโลกสมมุติต่างๆเข้าใจไหมครับใช้ภาษาฝรั่งมันจะง่ายขึ้นคือชีวิตทางด้านคอนเซ็ปต์เช่นผมชื่ออะไรมันเพิ่งเกิดทีหลังเั่นนั้นเลยจริงไหมครับ เวลาตายก็มันที่จริงเราไม่เคยมีชื่อเลยนะแต่ว่าชื่อเป็นสิ่งที่พ่อแม่เรียกกันเพื่อนฝูงทีนี้คำถามมันเกิดขึ้นว่าเมื่อเราจะพาวนาเนี่ยเราจับเอาชีวิตช่วงไหนกันแน่ชีวิตตอนเป็นศพไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะปฏิบัติไม่ได้แล้วจริงไหทีนี้ถ้าเร า, เ, ราเดินคิด เรานั่งยกมือแล้วเราคิดว่าเรากำลังยกมือไปจบชีวิตทางด้านคอนเซปต์ขึ้นแค่แสงครับซึ่งเป็นเรื่องสมมุติตลอดเวลาแม้ว่าเราเคยอ่านหนังสือบางเล่มที่บรรยายว่าเมื่อถูกพื้นให้สร้างความรู้สึกว่าเรากำลังถูกพื้นผมไม่สู้จะเห็นด้วยนะกับการเจริญสติเช่นนั้นนะครับเพราะมันกันกคิดซ้อนขึ้นในการกระทานั้นนั้นก็เกิดผู้คิด ซึ่งแบ่งแยกจากตัวการกระทาเข้าใจไหมครับเหมือนที่เราชอบมีปัญหามาถามผมเดินอยู่แล้วให้กำหนดรู้ว่ากำลังเดินใช่ไหมเนี่ยแล้วผมบอกไม่ใช่นั่นเป็นเพียงความคิดเท่านั้นแล้วก็งงครับเพราะเราติดอยู่ในโลกของความคิดแทบจะทั้งวันความคิดทท่นั้นเองครับที่ผมคิดว่าเป็นชายคนหนึ่งนี่ก็เป็นเพียงความคิด เห็นผู้หญิงเข้าก็คิดว่าโอ้นี่เป็นชาวสุราษฎร์ชาวบ้านดอนนี่เราก็เริ่มคิดอีกแล้วครับเป็นโลกของการแยกแยะแล้วก็สาทยายคือบรรยายให้ตัวเองฟังแทบจะตลอดเวลาแล้วก็เดินไปตลาดเห็นฝรั่งคนหนึ่งเดินมาผมยาวเฟ้ยเราก็เริ่มบรรยายทันทีเข้าใจไหมครับโอ้เขาจะเป็นชาวกรีกหรือชาวนอร์เวย์เนาะนีนะ่เริ่มบรรยายอย่างนี้ ดังนั้นเราโมบรรยายโลกนี้ให้ตัวเองฟังครับเสียงกระซิบในภายในวิจตกวิจารต่างๆก็ฟุ้งหมุนอยู่อย่างนี้ครับเรารู้สึกว่าการบรรยายนั้นเป็นเรื่องที่ที่ฉลาดด้วยครับนั่นก็ถูกแต่ปัญหาหนักอยู่ตรงนี้ครับคือเราจะไม่รู้จักโลกที่สงัดเงียบปราศจากคำวิาพากษ์วิจารณ์ ถ้าเราไปนอนหลับสนิทนก็จบสิ้นการบรรยายแต่บางทีอาจจะบรรยายต่อในความฝันผมพบว่ามันตื่นมาตอนเช้านะครับสิ่งแรกคือคำพูดของตัวเองโอ้อากาศหนาวจังนมะื่อคืนนี้น่าจะนอนต่ออีกสักหน่อยนี่เราบรรยายเราพูดตลอดเวลาครับผมถึงบอกว่าเวลาพนานั้นอย่าให้มันพูด ถ้าถามว่าทอยังไงไม่เห็นพูดไม่มีคาตอบเลยค่ับออยากพูดออกมาเห็นอะไรเห็นเฉยๆได้ไหมครับนี่ทีนี้มันยากตรงนี้ครับตรงที่ว่าเมื่อเราจะปฏิบัติภาวนานครับเราต้องมีสมาธิในการปฏิบัติประจากสมาธิแล้วมันมันมันไปไม่ได้ครับ จิตที่ไม่บรรลุถึงสมาธิก่อนจะไม่สามารถแหวกวงล้อมของการครอบงำของความคิดนี้ได้ดังนั้นธรรมะกลับกลายเป็นสิ่งที่ภาคบรัญรยายล้วนๆเชิเราเรียนธรรมะเรียนพุทธคำผีมากแล้วก็จำได้เยอะครับอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างตอบคาถา ม, ถามทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้ว ย, วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้เลยครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เช่นเราเอาความรู้ด้านพระคัมภีร์นี่มาละความลิสยาผู้อื่นนี่ไม่ได้ครับ ม, มันคนละเรื่องไปเลยพระคัมภีร์ที่เราทรงจําหรือความรู้ที่เราจํามาจากครูบาจารย์นั้นมันเปรียบเสมือนภาพของเปลวไฟภาพวาดภาพถ่ายของไฟซึ่งมันเอามาต้มน้ําให้เดือดไม่ได้ จะจะเป็นภาพวาดที่กองใหญ่มากก็เท่าใดก็ตามครับมันไม่มีความร้อนอยู่ในนั้นแตดสูกประกายไฟจากไม้ขีดก้านเดียวนี่นะฮะซึ่งมีความร้อนมีมีเชื้อมันจริงๆแล้วเรามาต่อกับไม้แห้งเข้ามันก็ลุกลามขึ้นเข้าใจไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราจะภาวนานครับจะปฏิบัติให้จับชีวิตแห่งชีวิตขึ้นมานะ คือความรู้สึกล้วนๆนี่เองเข้าใจไหมครับนี่คือเชื้อไฟของมันต่อตอนนั้นก็กระพื่อมขึ้นมาก็คือเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวนี้จะก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตลอดเวลาผมได้เน้นแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับในการบรรยายนี้แต่ว่าความเข้าใจของพวกเรายังไม่สมบูรณ์จริงเมื่อคืนนี่มีคาถามมากเพราะว่าคือว่าเราคิดมากกันเองครับ ปฏิบัติธมานยากคิดมากครับแล้วไม่จําเป็นต้องกลัวจะไม่รู้อะไรครับพราะจับความรู้สึกตัวได้ถูกต้องจริงนะครับในที่สุดมันจะเข้าใจไปเองครับว่าพระเจ้าสอนอะไรความทุกข์คืออะไรเดี๋ยวก็รู้เข้าไปในความคิดที่ไหนก็หลงเป็นทุกข์ทีนั้ น, นครับพอหลุดออกมาได้ก็มันสิ้นทุกข์ทีนั้นมันก็เรียนรู้อริยสัจก็ไปซื่อๆเท่านั้นเอง ผู้คนในครั้งในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลนะครับตามที่ผมนั่เรียนมาในทรายวิดกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะครับแต่นืั้งจากท่านสอนหลายคนหลายนิสัยต่อมาเมื่อเขารวบรวมคำสอนเมอกลายเป็น 84,000 สี่พันมารมคขันขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวขผมเองนี่เขจะปิดคิดว่าก่อนเราจะปฏิบัติเราต้องรู้คำสอนของเจ้าให้หมด ที่จริงไม่จำเป็นเลยครับพุทธเจ้านั้นเมื่อพบสาวกที่มีศรัทธาเข้าท่านแนะนํานิดเดียวเท่านั้นท่านบอกว่าให้เธอไปพลิกความพลิกพลิกหงายขันห้าดูว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเท่านั้นเองพู้คเหล่านั้นก็ไปเดินจงกรมไปเฝ้าดูจนกระทั่งจับได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นภาวะที่เป็นเอง พระเจาท่านแนะนิดเดียวเท่านั้ น, นครับแต่ว่าคําแนะนิดเดียวของผู้รู้ย่อมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทีเดียวทุกวันนี้เมื่อเราเข้าไปในวัดหรืออะไรเนี่ยแล้วเพราะว่าโอ้เวลาบรรยายธรรมกันเนี่ยพิสดารพันลึกเข้าใจไหมครับเข้าต้องเข้าปฐมมาชานเห็นโน้นเห็นนี้ยกจิตขึ้นอย่างโน้น ون. ผมเคยไปวัดหมห า, าธาตุฟังแล้วใจฝ่ำไปเลยคล้ายๆ เอ๊ไมธรรมะของพระเจ้าถึงยากเย็นถึงขนาดนี้เฉยเลยคืออาจารย์รุ่นหลังๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านรู้หรือท่านไม่รู้นะครับทำไมด้วยเหตุการณ์เมื่อพระพุทธศาสนาผ่านห่วงการเวลามามันก็สะสมคําพูดคําอธิบายนะี่มากขึ้นมากขึ้นฟังเรื่องในธรรมบทสักเรื่องสองเรื่องนะครับว่า เหตุการณ์เช่นนี้เราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อครูพิเจ้าเคยเสด็จไปที่เมืองอารวีครับอาระวีแล้วท่านท่านสอนเด็กเด็กสาวอายุสิบสองขวบเด็กเ ล, ก ล, กลก็กๆนะครับสิบสองขวบให้ให้เจริญภาวนาเด็กคนนั้นมีอาชีพทอผ้าครับ ผู้เจ้าสอนอะไรนี่เราเราคงไม่มีใครทราบแต่ผมเดานะผมสันนิษฐานผู้เจ้าคงสอนให้จับความรู้สึกตัวน่ครับแล้วอาชีพของเธอทอผ้านี่มันมันง่ายมากๆเลยต่อมาอีกลุ่มอีกปีท่านเสด็จไปอีกที่เมือง น, นั้นประทับนั่งที่ธรรมศาลากลางหมู่บ้านผู้คนก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมไม่ทรงตรัสอะไรทั้งนั้น นิ่งเฉยสงบอยู่เพราะพระเจ้ารอเด็กคนนั้นรธรรมดาพระเจ้าเมื่อแสดงธรรมนั้นจะมีเจตจำนงที่จะช่วยคนหนึ่งคนใดทุกครั้งไม่ใช่พูดแบบแบบสอสอหรือพูดแบบบรรยายธรรมเพื่อให้ความรู้นี่กว้างขวางไม่ใช่อย่างนั้นครับพระเจ้าจะมีเจตนาที่จะช่วยใครคนใดคนหนึ่งหรือหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอ เด็กนนั้นมารู้ข่าวว่าผู้เจ้ามาประทับที่ธรรมศาลากลางหมู่บ้านก็รีบถอผ้าเร่งงานนะครับเร่งงาน แ, แล้วก็รีบมาเข้าเฝ้าซึ่งซึ่งประชาชนก็นั่งร อ, อที่ฟังธรรมนะครับผู้เจ้าทรงถามว่าพีเด็กอายุสองขวบเขาจะเรียกว่ า, um ากุมารีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเขเรียกกุมาร ดุก่อนกุมารีพี่เจ้าถามว่าเธอมาจากไหนคำถามง่ายๆนี้ปรากฏกับเด็กสาวผู้ผู้กำลังเจริญภาวนานี้เป็นอีกความหมายหนึ่งเด็กเด็กตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองไม่รู้ตอบพูดภาษาชาวบ้านนะว่าฉันไม่รู้ที่พี่เจ้าถามย้ําว่าเธอไม่รู้หรือ เด็กคนนั้นบอกว่ารู้อยู่ที่พิจารณาถามว่าเธอรู้หรือบอกไม่รู้ทีนี้ บ, บ้านฟังก็างหาว่าเด็กนี้ยวนพุทธเจ้าพูดภาษาชาว บ, บ้านกันนะว่าใกล้ๆเธอเรื่องไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงที่จริงพวกคนเหนั้นไม่รู้จักครับว่ารู้จักกับเด็กคนนั้นกำลังตอบโต้ภาษาทางหัวใจกันอยู่นี่ คือคนที่จเจริญพมนาญจะเข้าใจกันภาษาเช่นนี้ทีนี้เพื่อที่จะให้เรื่องกระจ่างพระเจ้าก็ทรงขอร้องให้เด็กคนนั้นอธิบายต่างๆเมื่อเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนเอามาีคำเล่าผิดพลาไดไปบ้างนะฮะสลับกันมากเพราเธอมาจากไหนแล้วทําไมเธอตอบเราว่าไม่รู้ที่จริงน่าจะตอบมาจากบ้าน มือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับถามว่าไปไหนมาไปดูหนังต่อบกันอย่างนี้มาจากไหนมาจากสนามชนวัวคนธรรมดาติดยึดจิตแต่เรื่องราวในโลกนี้ครับนี่ธรรมดาคนมีจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในตัวเองก็คือกําลังอยู่กับสภาพประมาสตรนะครับไม่ได้อยู่กับสภาพสมมติดังนั้นเด็กคนนั้นก็อธิบายว่าเมื่อพระองค์ถาม ว่ามาจากไหนที่ข้าพระองค์ตอบว่าไม่รู้ ช, ชีวิตมาจากไหนตอบไม่ได้ครับหรือว่าใครตอบได้เนยรวมไปถึงความรู้สึกตัวนี้ด้วยมาจากไหนตอบไม่ได้ครับคือมันไม่มีที่มาหรือถ้าสาวไปสู่ชีวิตจริงๆเนี่มันสาวไปหาปู่ย่าตาทวดแล้ว ม, มาจากไหนก็ไม่รู้ครับ แต่นั่ น, ม, นมันเป็นเรื่องสมมตินะฮะแต่ถ้าเรื่องปรามัดแล้วนะครับเช่นความรู้สึกตัวนี้มาจากไห น, นตอบไม่ได้ น, ะนี่พรเจ้าถามว่าเมื่อเราถามว่าเธอไม่รู้หรือ <c oughs> ตอบเด็กตอบว่ารู้อยู่นั่นหมายความไงเด็กก็ทิบายว่าแม้ไม่รู้ชีวิตมาจากไห น, นแต่รู้ว่ามันต้องไปตายแน่ๆนั่นรู้ ครับทีนี้ที่ตอว่าเธอรู้หรือกลับตอบไม่ไม่รู้คือว่าไปตายเมื่อไหร่นี่ไม่รู้ครับกาหนดไม่ได้เลยตายตรงไหนแต่รู้แต่ว่าต้องตายแน่ๆท่านนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จุดอื่นนะครับตรงจุดที่ว่าเรื่องเรานี้มันจริงเท็จเพียงใดครับที่ว่า พระพาหิยะก็ดีองคุริมานก็ดีพระจุลปันถกก็ดีซึ่งพระเจ้าแนะนำนิดเดียวเขาก็เข้าถึงที่สุดทุกหรือเข้าถึงที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมนะครบผมคิอว่ารากฐานของการเข้าถึงธรรมนั้นอยู่ที่ตัวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้านะครับ เพราะถ้าอยู่ที่ตัวพระเจ้าเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยต้องตรัสรู้ต้องเข้าถึงที่สุดทุกข์ด้วยหรือหลายหลาองค์พระเทวทัตนั้นไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นพี่เขยของพระพุทธเจ้าเองพ ร, พระเทวทัตคื อ, ค, อคือพี่ของของพิมพานะครับแต่แล้วพระเทวทัตกลับล้มคว่ำไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยดังนั้นหลายคนพบพระพเจ้าเข้ากับไม่มีประโยชน์เลยนะคร ดนั้นรากฐานของการรู้ธรรมะมันอยู่ที่เจ้าตัวนั่นเองอย่างพระพา ย, ยะผู้เจ้าจัตนิดเดียวเพือก็เข้าใจได้ดังนั้นเราต้องสร้างรากฐานมากๆครับที่จะรู้ธรรมะผมใช้ศัพท์คำว่าสร้างรากฐานถ้าเป็นศัพท์โบราณที่คนไทยโบราณนิยมเขาเรียกสร้างบารมีครเขาพูดกันอย่างนี้สร้างรากฐานคือสร้างสติ สร้างฐานให้แน่นแฟนนะครับเพื่อจิตใจมันจะได้มีกำลังจิตใจที่ไวหวหวั่นง่ายเนยรู้ยากเพราะว่ามันไม่ไวหวหวั่นธรรมดามันไหวไปยึดถือครับในเรื่องนั้นไหวยึดเรื่องนั้นยึดเรื่องนั้นแต่ถ้าจิตใจไหวโดยไม่ต้องยึดนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาอะไร ใจสมมติมันคิดเรื่องนั้นแต่คิดแล้วทิ้งคิดและทิ้งไอ้ น, นี่นนธรรมชาติของมันจิตใจไม่ใช่วัตถุที่จะตั้งนิ่งอยู่โดยไม่รับรู้อารมณ์เลยนั้นไม่ได้ครับแต่โดยธรรมชาติแล้วมันจะรับรู้อารมณ์ซัดสายไปในหลายอารมณ์ในหลายเรื่องหลายลาวก็เรีนานานิมิตเหมือนซัดสายไปมากก็ฟุ้งซ่านครับ สุงซาดแลก็ราคาญอยู่อยู่ภายในตัวเองแล้วก็คนไม่พบความสุขง่ายๆดังนั้นความสุขจึงกลายเป็นเรื่องพิสดารพันลึกคนที่ก็หายความสุขก็คือคนที่ทุกข์มากๆนะครับถ้าคนที่ทุกข์น้อยความสุขเป็นสิ่งไม่ค่อยจำเป็นอะไรหรือคนที่สิ้นทุกข์ความสุขก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไร ไม่ใช่เรื่องจาเป็นถ้าเกิดเกิดเองถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดอะไรเหล่านี้นะครับลองย้อนกลับไปที่ต้นเหมือนที่ผมได้อธิบายนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องพวักควงถึงเทคนิคของการฝึกจิตมากมายเนาะนะครับสมัยผมหนุ่มผมหันมาทางทางั้งสนุกอยู่พักกับการอ่านตํารา เรื่องเข้าชานนั้นยกจิตอย่างนั้นสนุกมากครับแล้วรู้สึกพุศาสนาเนี่โอ้โหมันศาสนาที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะแต่นานเข้าผมถามตัวเองแล้วแล้วเราทำมันได้หรือเปล่าเนี่ยปรากฏาว่าเราเพียงแต่ว่าอ่านมันไว้เล่นๆไว้ขู่เพื่อนครับเราอธิบายได้ที่จริงเราก็ทำไม่ได้ทันที่จริงตามผมเข้าใจใหม่หรือเดี๋ยวนี้นะครับ เราไม่จําเป็นต้องผวงเรื่องนั้นนะครับเราจุดเชื้อขึ้นก่อนนะครับเปรียบรดบุดก็เราจะเผาป่านะครับเผาไล่เราไม่จําเป็นเลยที่ต้องลาดน้ํามันเข้าไปทั้งทุ่งแล้วจึงจุดเข้าใจไหมฮะแล้ว เ, เพียงเน่รอจังหวะช่วงลมดีๆแล้วก็ไปที่ต้นลมแล้วก็จุดไฟขึ้นมันจะลุกลามไปเองจนกระทั่ง หมดแปลงในน้านั้นหรือในป่าอย่างนั้นวันนี้เราจุดชนวนขึ้นในตัวเรานะครับก็คือความรู้สึกตัวง่ายๆเรียกว่าชีวิตพอรู้สึกตัวตรงๆได้ตรงๆแล้วนะครับมันเริ่มเกิดสมาธิแล้วและแต่ว่าสมาธิที่เกิดนี้ถูกจะถูกทําลายไปเมื่อเราเผลอตัวเข้าไปในความคิด เชอไฟนี้นะสมาธิก็จะถูกทำลายเหมือนกับเชื้อไฟที่เราจุดขึ้นดีแล้วนะครับไอ้ลมมันพัดมาเปลวอุนดับไปดังนั้นสมาธิจะเริ่มจะเริ่มต่อเนื่องต่อเมื่อเราไม่พลัดเข้าไปในความคิดรุงแต่งคือไม่เผลอเข้าไปในความคิดแต่ว่าถ้าเราไปหยุดยั้งความคิดนะครับสมมติว่าเราจะกดไม่ให้มันคิดสมาธิข้างเราก็จะพลัดไปสู่ ฝักฝ่ายของสมถะกข้าใจไหมครับคือไม่คิดอะไรเลยมันก็เป็นพลังมหาศาลขึ้นมาแต่มันไม่มีปัญญาครับดังนั้นเราต้องปล่อยให้มันคิดแต่เราต้องไม่เข้าไปในความคิดไม่พลัดตรงไปในกระแสความคิดดังนั้นพปก็คิดเสร็จเรารู้ตัวมันก็เลิกคิดเลิกคิดเดี๋ยมันคิดอีกเรารู้ตัวนะครับดังนั้นพลังที่เราสะสมนี้เป็นพลังของความตื่นตัว เป็นพลังที่รู้ที่เห็นตอกกระแสความคิดเข้าใจ ย, กยากยาอันนี้ครับนะแต่ถ้าเราตั้งนิมิตหนึ่งขึ้นเช่นเพ่งองค์พระพุทธรูปเหมือนที่บางสำนักใช้ที่จริงดีนะฮะแต่ว่ามีจุดอ่อนมากๆ ม, มายแล้วผมไม่ใช่กล่าวให้ร้ายป้ายสีนะครับนะพูดๆ ตามที่ผมสติปัญญาผมบอกนะครับการเอานิมิตอะไรหนึ่งนัไนหนึ่งโดยเฉพาะนิมิตทางศาสนาที่เป็นสิ่งที่ขลังลศักดิ์สิทธิ์เชื่อนี่นั่นนับ้าง่ายครับเพี้ยงง่ายนิดเดียวและผมเห็นเยอะจริงๆเนยนะเตือนพวกเราด้วยความหวังดีะ ร, ระวังประสบการณ์ทางจิตประเภทเอ็กซ์ราครับอันตรายมากๆเข้าใจไหมครับนั่งๆลรเห็นแสงอะไรมา ตอนนี้ผมรักษาอยู่สองคนนะพวกนี้เป็นพวกเพ่งเห็นเห็นแสงเห็นสีคนหนึ่งนั่งๆได้ยินเสียงเทวดาพูดเลยเพี้ยนเป็นสามเดือนแล้วท่องเวียนมาพบผมบ่อยเพี้ยนแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะผ ม, มบอกเสียคนที่เดียวประสบการณ์ประเภทเอ็กซ์ทราเอ็กซ์รานี้หมายว่าประเภทพิสดารพันลึกเข้าใจั้ยครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมะ แต่แล้วเราก็เลี่ยงไม่พ้นครับดังนั้นเราควรจะหาหลักประกันโดยหาประสบการณ์ง่ายๆประสบการณ์การพลิกมือหายใจเข้าหายใจออกแล้วกำหนดรู้อันนี้เพี้ยนไม่ได้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติเข้าใจไหมครับเหตุที่เกิดพิศดารพัลลึกขึ้นมานั้นเพราะตัณหารครับคือนี้ผมเล่านิดนึงอย่าถือเป็นสาระนะแต่ผมที่ผมบอกว่า นั่งละเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยากเห็นนั่นเองอยากเห็ น, นคือสิ่งนั้นปรากฏได้จริงแต่ไม่มีจริงคือปรากฏเราก็เป็นสิ่งจริงแต่มันไม่มีจริงเลยเพราะเราตกตัวเองหรือขยิบตามก็หายไปทันทีแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนซึ่งมีอุปนิสัยแปลกประหลาดนะครับมันจะติดตาทีเดียว แล้วมันจะหลอกหลอนวิป ร, ราชเสียคนได้เพื yeah. ่อนพมคนหนึ่งเขานั่งสมาธิน um ั <h <h ่งสงบที <h <h ่คืนหนึ <h h ่งดึกๆเขาเขารู้สึกตัวเขาตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ปลุกคนโน้นคนนี้มาให้นั่งฟังเขาจะสอนข้ออย่างนั้นนั้นต่อมาเพื่อนๆก็ต้องพาเข้าลงจยบาลครับคือประกอบแกไม่สบาย ที่สวนโมกนั้นก่อนหน้าผมไปยืนมีคนหนึ่งเขานั่งสมาธิเขาเจริญอะไรครับเ mm. ี่ mm. เตโชกสินนั่งเพ่งไฟเนี่ยเขตกดึกขึ้นมาแล้วแกวิปลาดอะไรแก mm. วิ่งพุ่งหัวลงในหนองน้ำแก mm. บอกว่าไฟลุกตามตัวแกที่จริงไม่มีครับแต่เป็นเป็นความรู้สึกที่ผิดปกติ แล้วก็วิกจริไปประมาณสิปีเสร ผ, ผมขอเตือนพวกเราเลี่ยงให้ไกลเรื่องวันนี้นะครับเพราะว่าผลที่เกิดจากการพยายามที่จะให้เห็นสิ่งสิ่งพิลึกพิสดารอนั้นนะครับรากฐานก็คือตัณหาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็ผลก็คือกลายเป็นคนที่หมด หมดฤทธิ์หมดเดชทนที่จะมีชีวิตง่ายๆเรียบง่ายไปแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ค้นพบความสุขได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยกลายคนที่มีปัญหาไปตลอดชาติก็ได้เป็นได้ครับกรรมฐานนะครับที่พระเจ้าท่านโปรดทรงโปรดแล้วก็แนะ